นี่คืออนิสง์หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมผลประโยชน์ที่จะเกิดนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อฟังธรรมด้วยวิธีที่ถูกต้องการฟังธรรมนี้ก็มีวิธีที่ถูกและวิธีที่ไม่ถูกวิธีที่ถูกก็คือต้องฟังด้วยกาย วาจาใจที่สงบเช่นขณะนี้ท่านกําลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ร่างกายไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวไม่ควรที่จะทําอะไรวาจาก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันใจก็ไม่ควรคิดถึงเรื่องราวต่างๆควรที่จะจดจ่ออยู่กับการฟัง ทำเพียงอย่างเดียวถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้รับประโยชน์ต่างๆนางที่ได้แสดงไว้ถ้าฟังโดยที่กายวาจาใจไม่สงบเช่นฟังไปแล้วก็ทำอะไรไปด้วยบางท่านบอกว่าทำกับข้าวล้างถ้วยล้างชามก็เปิดธรรมะฟังไปด้วย หรือว่าคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้หรือคิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่างๆถ้าฟังแบบนี้จะได้รับผลประโยชน์ไม่เต็มร้อยได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าใจไม่ได้จดจอ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวใจถูกดึงไปใช้ในทิศทางอื่นด้วย ใจถูกดึงไปใช้กํากับร่างกายให้ทางานต่างๆเช่นล้างถ้วยล้างชามทากับข้าวทาอะไรต่างๆวาจาก็พูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือใจก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้าเป็นอย่างนี้ใจจะไม่สามารถที่จะรับฟังธรรม ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองฟังปั๊บแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะที่ไปคิดไปพูดไปทำนั้นก็จะไม่ได้ฟังธรรมการฟังธรรมก็จะขาดตอนเมื่อขาดตอนแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องจะฟังไม่เข้าใจจะไม่เกิดปัญญา ก็สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้นี่คือการฟังแบบไม่ไม่ถูกต้องฟังในขณะที่ทำภารกิจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยหรือสนทนากับคนนั้นกับคนนี้ไปด้วยหรือคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยกับการฟังธรรม ฟังแล้วจะได้รับประโยชน์น้อยหรืออาจจะไม่ได้รับประโยชน์เลยอยู่ที่ว่าฟังหรือไม่ฟังหูอาจจะฟังอยู่แต่ใจนี้ไม่ได้รับฟังเลยเพราะใจมัวแต่ไปพูดมัวแต่ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นอยู่ดังนั้นผู้ฟังจึงต้องคอยสังเกตดูว่า กำลังฟังด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าฟังโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องนี้ประโยชน์คือปัญญาจะไม่เกิดกำลังใจศรัทธาจะไม่เกิดเพราะฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ฟังแล้วจะเกิดปัญญาแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเกิดวิริยะเกิดจิตตะวิมังสาเกิดฉันทะเกิดอิทธิบาสีที่จะปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติ เพราะจะรู้ว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วจะได้รับผลอะไรบ้างผลที่เกิดจากการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่ามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งหรือมรรคผลนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า การที่เราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องเกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังวิธีคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเราจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเมื่อฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันเมื่อเราปฏิบัติแล้ว เราก็จะได้รับอันนี้สง์งเลอฟได้รับผลจากการปฏิบัติคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งการที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติขั้นมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้นี้เราต้องเข้าถึงในระดับปัญญาเพราะว่า ถ้ายังไม่เข้าถึงในระดับปัญญานี้ยังไม่สามารถเข้าสู่ขั้นมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าถึงขั้นปัญญานี้ได้เราต้องเข้าขั้นสมาธิไปก่อนเพราะสมาธินี้เป็นขั้นที่เราจะต้องผ่านก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นของปัญญาได้ การที่เราจะเข้าสู่ขั้นสมาธิได้เราจะต้องเจริญสติก่อนสตินี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่มีสติใจจะไม่ยอมเข้าข้างในใจจะออกไปข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วก็จะไปแสวงหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผัตภะจึงจำเป็นจะต้องมีสติแล้วก็จำเป็นจะต้องมีศีลเป็นรั้วกั้นไม่ให้ใจออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะศีลที่จะกั้นไม่ให้ใจนี้ออกไป ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑก็ต้องเป็นศีลแปดศีลห้านี้ยังไม่ยังไม่ปิดกัน้นการออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลห้า น, นี้เป็นศีลของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานศีลห้า น, นี้เป็นศีลของผู้ที่ เริ่มฝึกหัดใหม่ๆเป็นศีลเบื้องต้นที่จะคุ้มครองจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้ไหลลงไปสู่อบายคือถ้ารักษาศีลห้าได้เวลาตายไปใจจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเป็น สัตว์นรกนะถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอก็จะส่งให้ใจไปสู่สวรรค์ชั้นเทพได้แต่นั่นเป็นเพียงระดับเบื้องต้นของการปฏิบัติก่อนที่ผู้ปฏิบัติจะรักษาศีลแปดได้นี้จาเป็นที่จะต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ศีลแปดนี้จะรักษาไม่ได้เพราะมันมากกว่ากันและยากกว่ากันและการที่จะทำให้รักษาศีลห้าได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจบุญสุนทานมีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อความสุขความเจริญของผู้อื่น อยากจะให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขมีความเจริญมีอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขได้ก็ยินดีที่จะให้มีอะไรที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่เขามีอยู่ให้ลดน้อยถอยลงไปได้ก็จะยินดีจะให้เช่นการให้ข้าวของเงินทองต่างๆแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน หรือให้เพราะว่าเรามีมากเกินไปแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นเขามีบ้างเขามีน้อยก็อยากจะให้เขามีบ้างมากบ้างก็แบ่งปันกันไปอันนี้จะทำให้ใจสามารถรักษาศีลห้าได้ถ้ายังมีความโลภยังมีความหวงในทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ จะรักษาศีลห้าไม่ค่อยได้เพราะความโลภอยากได้เงินทองเพิ่มขึ้นมามากๆจะทำให้ไม่อยากที่จะช่วยเหลือใครไม่อยากที่จะแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นเพราะจะทำให้มีน้อยลงไปซึ่งขัดกับความโลภที่ต้องการให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ผู้ที่ยังไม่สามารถทาบุญให้ทานได้จึงจะยังไม่สามารถที่จะรักษาศีห้าได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีใจบุญใจกุศลมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่แบ่งปันก็จะทำให้สามารถรักษาศีห้าได้เพราะผู้ที่ใจบุญศุนทานี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเอง จะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบเสพสรารยาเมาก็จะทำให้สามารถรักษาศีลห้าได้พอรักษาศีลห้าได้แล้วการที่จะรักษาเพิ่มขึ้นอีกสามข้อก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือบ่าฝ่าแรงถ้าเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลแปดว่า จะช่วยป้องกันใจไม่ให้ไหลออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะเราต้องการใจให้เข้าสู่ข้างในเพื่อเราจะได้สมาธิเพื่อจะได้ใช้สมาธิเป็นฐานเป็นกําลังของการเจริญปัญญาเพื่อเราจะได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งถ้าเรามีความปรารถนา ในมรรคผลนิพพานเราจะเห็นความสำคัญของการรักษาศีลแปดเพราะว่าการรักษาศีลแปดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราไปเสียเวลากับการทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิ มาเจริญสติเพื่อดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธินะถ้ายังไม่มีอัปปนาสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งไดนะ้นี่คือที่มาของการทําบุญให้ทานของการรักษาศีแล้วก็ของการรักษาสีแปด ถ้ารักษาสิ้นแปดแล้วก็จะกำจัดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้หมดเลยเช่นการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนก็จะไม่ทํเพราะทำแล้วก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเองการรับประทานอาหารก็รับประทานพอประมาณก็พอรับประทานก่อนเที่ยงวันก็พอแล้ว หลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องรับประทานจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการรับประทานอาหารเสียเวลากับการรอเวลารับประทานอาหารแล้วรับประทานอาหารมากก็จะทำให้เกิดอาการเกียดข้าง่วงเหงาหานอนก็จะทำให้ไม่อยากเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว พอรับประทานอิ่มไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงอาการง่วงเหงาเหานอนต่างๆก็จะหายไปตั้งแต่บ่ายสองโมงไปก็จะเป็นเวลาที่จะใช้กับการปฏิบัติไปจนถึงเวลาหลับนอนได้เลยคือประมาณสี่ทุ่มนะก็จะได้เวลาปฏิบัติทําถึงแดชั่วโมงด้วยกัน แล้วก็ต้องไม่ไปเสียเวลากับการดูภาพยนตร์ดูละครไปร้องรำทำเพลงไปงานสังสรรค์งานสังคมอะไรต่างๆผู้ที่ถือสีนแปดนี้ถูกห้ามไม่ให้ไปไปไม่ได้ให้ไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ที่สถานที่สงบอยู่ตามลำพังให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้จเจริญสติให้มากๆ เพราะสตินี้เป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้นั่นเองถ้าไม่มีสตินี้ใจจะไม่ยอมเข้าไปในสมาธิต้องใช้สติดึงเข้าไปวิธีเจริญสติก็คือให้ใจตั้งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทธโธ ก็ให้ระลึกถึงคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆและต้องทําทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวต้องทําตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่ากําลังจะทํากิจกรรมอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าเป็นการงานที่จะต้องใช้ความคิดก็พักพุโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่ทำอยู่แต่ห้ามไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ไม่ให้คิดถึงเรื่องที่เกิดมาแล้วที่ผ่านไปแล้วเรื่องในอดีตไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาในอนาคต ให้คิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าทำงานทำการอะไรอยู่ถ้าไม่ได้ทำงานทำการก็ให้อยู่กับพุทธโธไปจนกว่าใจจะไม่คิดถ้าไม่คิดก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกำลังเดินก็ดูว่าให้รู้ว่ากำลังเดิน ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาต่างๆของร่างกายถ้าใจจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธเด่นเอาไว้แล้วพอเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธต่อไปถ้าชอบคำบริกรรมถ้าชอบการดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูอยู่กับลมหายใจเข้าออก โดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมใช้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบริกรรมก็ไม่ต้องดูลมถ้าดูลมก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ถ้าอยากจะดูลมไปควบคู่กับคำบริกรรมก็ไม่ห้ามถ้าทำแล้วได้ผลดีก็ทำไปนี่แต่เป้าหมายก็คือการดูลมหรือการบริกรรมนี้เพื่อ ดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพราอจะดึงให้ใจออกไปหาเรื่องราวเหล่านั้นแล้วใจจะไม่เข้าข้างในใจจะไม่สงบจะไม่เป็นสมาธิถ้าใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะออกไปทางปัญญาเพราะใจที่ไม่สงบนี้ จะไม่มีกําลังที่จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆไว้ได้แต่ถ้าใจสงบนี้ถึงแม้ว่าอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี้ยังไม่ตายแต่ก็อาจจะถูกกําลังของสมาธิคอยกดเอาไว้จะทําให้ไม่ออกมา ขัดขวางการเจริญปัญญาเพราะสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณานี้เป็นสิ่งที่กิเลส ต, ตันหาไม่ชอบเช่นความตายเช่นอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายเรื่องราวเหล่านี้จะคิดได้พิจารณาได้ก็ต่อเมื่อใจมีสมาธิมีกำลังที่จะคอยกด ความโลภความโกรธความหลงไม่ให้มาขัดขวางการเจริญปัญญาเพราะการที่จะเข้าสู่มรรคผลขั้นที่หนึ่งได้นี่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาก็คือการละสังโยชน์สามข้อแรกคือละสักกายทิฏฐิละ วิจิกิจฉาล ะ, ะาศีลพัตปาะมารตเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการเจริญมรรคเพื่อให้ได้ผลขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลถ้ามีสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาขันห้าที่เป็นที่ตั้งของสกายทิฏฐิ ความเห็นที่ว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเราต้องพิจารณาขันห้าด้วยการพิจารณารูปประขันเป็นเป็นขันแรกพิจารณารูปประขันก็คือพิจารณาร่างกาย ต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าใจไม่มีสมาธิใจจะไม่อยากคิดหรือพอพิจารณาใจก็จะเกิดความหดหูใจขึ้นมาหรือเกิดความเบื่อหน่ายแต่ถ้าใจมีสมาธิแล้วนี่ความหดหูหรือความเบื่อหน่าย ในเรื่องการพิจารณาร่างกายนี้จะไม่มีจะสามารถคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆการพิจารณานี้ก็ไม่ใช่พิจารณาเพื่อให้เร า, เาการพิจารณานี้ก็เพื่อไม่ได้พิจารณาเพื่อให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ความจริงสิ่งเหล่านี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ปัญหาคือ เรารู้แล้วมันมักจะลืมพอเราไม่คิดถึงมันปั๊บเราลืมไปเลยว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วกิเลกก็จะมาหลอกให้เราพยายามทําตัวเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายกันนี่คือปัญหาเราจึงต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมความจริงพวกเราทุกคนรู้กันอยู่แลว้วว่าร่างกายนี้ ก่อนมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ปัญหาของใจก็คื อ, อยังไม่ยอมรับความจริงอันนี้ยังไม่ยอมแก่ยังไม่ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ยอมตายกันยังอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆเออยังอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังอยากจะอยู่ไปเรื่อยไม่มีวันตายอพอ เจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีความทุกข์ใจเหล่านี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายเพราะลืมไปว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ถ้ามันพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อย ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครที่จะมายับยัง้งห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ใจของเรานี้ไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับความจริงนี่คือหน้าที่ของปัญญาคือพยายามคอยเตือนใจสอนใจ ให้ยอมรับความจริงให้เห็นว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจของท่านมีปัญญาใจของท่านไววางร่างกายได้ ยอมรับความจริงของร่างกายได้เพราะมีปัญญาคอยสอนใจอยู่ทุกวินาทีเลยก็ว่าได้พอเกิดความหลงโผล์ขึ้นมาหลอกให้อยากให้ไม่ตายไม่เก็บไม่แก่นี่ปัญญาก็จะกาจัดทันทีเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่อยากจะไม่ตายนี้เป็นไปไม่ได้ถึงเวลามันตายต้องตายด้วยกันทุกคน อยากจะไม่เจ็บนี้เป็นไปไม่ได้ถึงเวลามันเจ็บก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนถึงเวลาแก่ก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนใจไม่หลงไม่ลืมใจก็จะไม่เกิดตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็จะไม่มี พอไม่มีความทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากขันห้านี้ได้จากการหลงไปคิดว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเรามันจะเป็นตัวเราของเราได้ไงเวลาที่มันหายไปแล้วเวลาที่มันตายไปแล้วเช่นของต่างๆที่เรามีอตอนนี้มันเป็นของเราอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีคนมาขโมยไปนี้มันยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่า เรือมันเป็นของคนที่เขาขโมยไปแล้วนั่นแหละพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหายไปจากเราไปไปไหนก็ไปสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ทำด้วยดินน้ำลมไฟผลิตด้วยดินน้ำลมไฟ พอเวลาตายไปมันก็แยกกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เราผู้พิจารณากับผู้สิ่งที่ถูกพิจารณานี้เป็นคนละเรื่องคนละอันกันผู้พิจารณาก็คือใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายไว้ชั่วคราว ก็พิจารณาคอยสอนใจเตือนใจว่าเราไม่ใช่ร่างกายเราได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้กับดินน้ำลมไฟไปนี่คือเรื่องของการพิจารณาเพื่อละส ก, กายทิิพิจารณาร่างกายเวทนาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยนีเองทุกขเวทนา เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสุขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเราก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับเพียงอย่างเดียวเช่นตอนนี้เรามีเวทนาแบบไหนตอนนี้เรามีสุขเวทนาเรื่มมีทุกขเวทนา หรือมีสุขไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเราก็รับมันไปถ้าเรารับมันไปเราก็จะไม่เดือดร้อนตอนนี้เราไม่เดือดร้อนกับเวทนาเพราะอะไรเพราะว่าเรารับกับความสุ ข, ขเวทนาได้รับกับความไม่สุขไม่ทุกขเวทนาได้แต่ปัญหาของเราอยู่ที่ตรงทุกขเวทนาเราไม่ยอมรับมันเรารักสองคนแต่คนที่สามนี้เราไปเกลียดมัน พอมันโผล่มาที่ไรเราจะชอกตายทุกทีเราก็ต้องมาหัดทำใจว่าเราหนีเขาไม่ได้เขาก็เป็นเหมือนลูกของเราลูกคนที่สามมีลูกสามคนสองคนแรกนี้ไม่มีปัญหาแต่คนที่สามนี้เกเรสร้างความปวดหัวให้กับเราอยู่เรื่อยๆแต่มันก็เป็นลูกของเราเราก็ทิ้งมันไม่ได้ให้มันหายไปจากเราไม่ได้ มันเป็นส่วนหนึ่งของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันมากับร่างกายทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็คือเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เองหรือเวลาที่เราเดินไปเตะอะไรเข้าเหยียบอะไรเข้าลื่นหกล้มก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ต้องอย่าไป ลังเกียดเขาอย่าเราต้องยอมรับเขาเหมือนรับกับเรารับสุขเขเวทนากับไม่สุขไม่ทุกขเวทนาถ้าเรามีสมาธิแล้วเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งไม่ให้เกิดทุกขเวทนาได้แต่เราอยู่กับมันได้แล้วเราจะอยู่อย่างไม่ทุกขได้ถ้าเราไม่มีความรังเกียจที่เราทุกขเพราะเรามีความรังเกียจ เป็นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราไม่ใช่เจ็บเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเราไปเจ็บที่ใจด้วยไปทุกข์ที่ใจด้วยเพราะใจเราไม่อยากให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันหายแต่พอมันยังไม่หายใจก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจยอมรับว่าตอนนี้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บไปก่อนรักษาได้ก็รักษาไป กว่าจะหายก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้างพอรักษาไปเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์ในขณะที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะอยู่กับมันได้นี่คือเรื่องของการพิจารณาขันห้าตัวที่เป็นปัญหาก็คือสองตัวนี้คือขันก็คือรูปประขันกับเวทนาขัน แล้วตัวสังขารขันก็คือความคิดปรุงแต่งก็ต้องอย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอย่าไปคิดว่าเราห้ามมันได้สั่งมันได้เราห้ามมันไม่ได้ร่างกายเราห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เวทนาเราห้ามไม่ให้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาไม่ได้มันจะต้องเกิดเราต้องเปลี่ยนสังขารความคิดของเราหมายว่าเราจะต้องเจอ ความแก่ความเจ็บความตายเราจะต้องเจอทุกขเวทนาเป็นธรรมดาเนี่ยที่ท่านสอนให้เราพิจารณาหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไายได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันนี้ก็เพื่อสอนให้ใจเราอย่าไปรังเกียจมันนั่นเองให้ยอมรับมัน เพื่อเราจะได้ไม่เกิดความอยากให้มันไม่เป็นพอไม่มีความอยากใจจะไม่ทุกข์ที่เราปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อมรรคผลนี่ก็เพื่อดับความทุกข์ใจนี้เองมรรคก็จะสอนใจให้ปล่อยวางปล่อยขันห้าให้ปล่อยวางร่างกายให้ปล่อยวางเวทนาให้สังขารคิดไปในทางปล่อยวางให้สัญญาจำไปในทางที่เป็นความจริงก็คือ ร่างกายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงวิญญาณนี้ไม่มีปัญหาวิญญาณเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับวความเจ็บรับความแก่ความตายของร่างกายมาสู่ใจ <c oughs> เป็นสะพานเชื่อมระหว่างใจกับขันตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ต้องทำอะไร ตัวที่มีปัญหาก็คือรู ป, ปรขันเวทนาขันสังขารขันสัญญาขันรู ป, ปรขันเราก็ต้องพิจารณาด้วยสังขารขันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราสัญญาถ้าพิจารณาบ่อยๆสัญญาก็จะจบได้ว่าอ๋อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา อย่าไปอยากควบคุมบังคับเขาให้เขาเป็นตามความอยากของเราเพราะจะทุกข์ไปเปล่าๆความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อย่างใดผู้ที่มีปัญญาจะไม่มีความทุกข์กับขันห้าเพราะเข้าใจขันห้าและปล่อยวางขันห้าได้ผู้ที่เข้าใจและปล่อยวางขันห้าได้ก็คือ ผู้ที่ละส ก, กายทิฐิได้นี้เองเพละสกขณะที่พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะั้เรียกว่ากำลังเจริญมรรคถ้าเรากำลังเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์ขั้นที่หนึ่งคือโสดาปติมรรคถ้าเราพิจารณาเพื่อละสังโยชน์เราเรียกว่าเรากำลังเจริญมรรคมรรคขั้นที่หนึ่งก็คือโสดาปติมรรค พอเราพิจารณาจนปัญญาสอนให้ใจปล่อยวางได้ตัดความอยากต่างๆเกี่ยวกับขันห้าได้ใจก็จะหายจากความทุกข์ที่ไปเกิดจากการไปรยึดติดกับขันห้าไปยึดติดกับร่างกายไปยึดติดกับเวทนาพอใจละได้ปับ๊บใจก็จะบรรลุได้การบรรลุ นี่จะบรรลุได้ทั้งสาข้อพร้อมๆกันไปเลยเพราะมันมาเป็นพวงเดียวกันสังโยชน์สามข้อแรกนี้สกายะทิฏฐิวิจิตกิจชาศีลพัต์ปรมานี้มันมาเป็นพวงเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวนองกันเกี่ยวเนื่องกันเวลาเราพิจารณาสกายะทิฏฐิได้ เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเราจะมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากของเราเองที่ไปอยากให้ขันหานี้ที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราให้อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของเราซึ่งเราทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้พอเราปล่อยวางมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของเรานี้ เกิดจากความอยากของเราอยากให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอเราใช้ปัญญาที่พุทธเจ้าส่งสอนให้พิจารณาว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราเราไปสั่งไปห้ามไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่เขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายพอปล่อยป้าความทุกข์ก็จะหายไป หายไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาการดับของความทุกข์ความทุกข์หายไปเรียกว่านิโรธหายไปด้วยมากคือปัญญาที่เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราขันห้าไม่เที่ยงก่อแก่เจ็บตายก็จะละสังโยชน์ได้ข้อที่หนึ่งพอละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ก็มีดวงตาเห็นธรรมก็รู้เลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นใคร คนที่สอนธรรมะนี้คือใข่เมื่อก่อนอาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงเป็นเรื่องนิยายที่เขาแต่งกันขึ้นมาหรือเป็นเรื่องจริงแท้แต่พอเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนเราได้รับประโยชน์ได้ผลจากการปฏิบัติเราก็จะไม่สงสัยว่าคนสอนมีจริงหรือไม่มีจริงในเมื่อคาสอนเป็นของจริงก็ต้องมีคนสอนจริง เราก็จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่เราจะไม่สงสัยในพระธรรมคาสอนว่าสามารถนำเอาไปดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆได้หรือไม่ผู้ที่ไม่สงสัยผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์นี้ผู้ที่บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งอริยมรรคอริยผลขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันก็คือผู้ปฏิบัติที่พิจารณาปัญญา เพื่อละสังโยชน์นี้เองอก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจเลยมีธรรมะคืออริยสัจสี่มีปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยจะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่และจะไม่อยึดติดกับศีล ร, รัตพตปรมาก ก็คือการปฏิบัตินอกคําสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัตินอกคําสอนนี่เรียกว่าสีลพัตตเช่นการไปเปลี่ยนชื่อเวลาทุกใจก็ไปเปลี่ยนชื่อเวลาเบื่อสามีก็ไปเปลี่ยนสามีใหม่เปลี่ยนภรรยาใหม่อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเดี๋ยวไปเจอภรรยาใหม่สามีใหม่ก็เจอคนเก่านั่นแหละเพราะมันเหมือนกันทุกคนอะ ทุกคนมีความโลภโกรธหลงเหมือนกันทั้งหมดเนีต่างกันตรงที่หน้ารูปร่างหน้าตาเท่านั้นเองแต่ไส้เหมือนกันเหมือนกับผลไม้ส้มกี่ลูกกี่ลูกเนื้อมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้างนอกมันอาจจะมีสีต่างกันบ้างแต่พอเปิดเข้าไปข้างในเนาะมันก็เหมือนกันนั่นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทุกข์ด้วยการไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือไป ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆสะเดาะข้อต่างๆทําไปมันก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้ความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเกิดจากความอยากของใจไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามที่ไม่อยากให้เป็นเท่านั้นเองเช่นไม่อยากให้เสื่อมอยากจะเจริญในลาบยศสรรเสริญ พอเริ่มมีการเสื่อมในลาบยศสรรละเสริญก็วิตกกังวลไม่สบายใจขึ้นมาก็ไปหาหมอดูหมอก็บอกว่าให้ไปบูชาพระลาหุนบ้างทำนูน่นทำนี่บ้างวิธีการเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องของศีลรับพระตาปรามาวิธีการที่ถูกต้องที่จะทำให้ดับความทุกข์ได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลแปดมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญากัน เพื่อให้เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากของใจเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เสื่อมในราบยศสรรเสริญทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าความเสื่อมนี้เป็นเรื่องของธรรมเรื่องธรรมดาของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสื่อมหมดไปไม่ช้าก็เร็ว พอมีปัญญาเห็นแล้วยอมรับความจริงใจก็หยุดความอยากไม่เสื่อมได้ปล่อยให้มันเสื่อมไปพอยอมรับความเสื่อมได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรมันจะเสื่อมก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่เสื่อมก็ก็ดีไปหรือถ้ามันเสื่อมแล้วยังอยากได้ใหม่ก็หาใหม่ได้เวลาเรามาเกิดมาเราก็มาตัวเปล่าๆเราก็ไม่ได้เอาอะไรมา ถ้าสิ่งที่เรามีอตอนนี้มันหายไปถ้าหาใหม่ได้ก็หามาใหม่ถหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในเวลาที่เราได้ละสังโยต์แต่ละขั้นนี้ใจของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลาดับ นี่ก็คือเรื่องของการเจริญมักเพื่อเพื่อที่จะได้ผลมักผลนี้เป็นของที่เรียกว่าเป็นเหตุและเป็นผลมักเป็นเหตุทําให้เกิดผลขึ้นมาถ้าอยากจะได้โสบดาปฏิผลก็ต้องละสังโยชน์สามข้อก็คือสีลพัตตปรมาวิจิตกิจชาและสกายะทิฏฐิวิธีที่จะละก็ให้พิจารณาละแค่ สักกายทิฏฐิแล้วอีกสองข้อก็จะตามมาด้วยจะเป็นผลพลอยได้มานี่คือมรรคผลขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าขั้นโสดาบันมรรคผลขั้นที่สองของก็เรียกว่าสกิรดาคามีผู้ที่จะเข้าถึงขั้นสกิรดาคามีได้นี้ต้องพิจารณาอสุภะเพื่อละสังโยชนคือความกามราคะ ความกำหนัดยินดีในการเสพกามในการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของคู่นอนของเราต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเช่นดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังของเขา ด, ด, ดูกระดูกดูกะโหลกศรีรษะของเขาดูอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายของเขาเช่นดูหัวใจปอดตับไตไส้พุงต่าง แล้วดูสิ่งสกรปรกที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาถ้าเห็นส่วนเหล่านี้ความกำหนัดยินดีที่อยากจะเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนก็จะหายไปสำหรับพระสะกิดาคามีนี้ท่านบอกว่าถ้าทำให้กามราคะและปฏิฆะนี้เบาบางลงไปก็ได้เป็นพระสะกิดาคามีคือ คือว่าไม่ต้องไม่ได้ถึงกับจะต้องกาจัดมันให้หายไปหมดเลยเพียงแต่ทำให้มันหายไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นพระสกิดาคามีขั้นที่สองการมาราคากับปฏิฆะนี่มันเป็นของคู่กันเวลาเกิดการมาราคะมันก็จะเกิดปฏิฆะความหงุดหงิดํำคาญใจอารมณ์ไม่ดีคนที่อยากจะเสพกามแล้วไม่ได้เสพนี่จะมีอารมณ์ไม่ดีพอได้เสพแล้ว อารมณ์ไม่ดีของมันก็จะหายไปแต่มันจะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวเกิดอารมณ์อยากจะเสพกามขึ้นมาใหม่อารมณ์หงุดหงิดก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าใช้อสุภะนี้มาหยุดกามมารมณ์ได้ปฏิฆาก็จะหายไปแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะกำจัดได้อย่างถาวรก็ยังไม่ได้ขึ้นสู่ขั้นที่สาม ถ้าอยากจะขึ้นสู่ขั้นที่สามนี้ขั้นพระอนาคามีนี้ท่านบอกว่าจะต้องกําจัดกามอารมณ์ให้หมดไปเลยให้เหลือศูนย์พระสกิทาคาเมนี้เหลือประมาณร้อยละห้าสิบทำให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดสําหรับพระพระอนาคามีนี้ทําลายกามราคะได้หมดเลยวิธีจะทําลายกามะกามราคะได้หมดก็ต้องเห็นอสุภะตลอดเวลา เห็นทุกเวลาเวลาเกิดการมารมณ์ขึ้นมาเวลาเหา็นร่างกายของใครน่ารักน่าชอบน่ายินดีเกิดความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ต้องรีบเอาอสุภะมาทันทีถ้ามีอสุภะมองเห็นทะลุเข้าไปในตับไตไส้ภูมิของเขาหรือมองเห็นเวลาที่เขาตายขึ้นอื่นนอนขึ้นอื่นว่าเป็นลักษณะอย่างไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไร มันก็จะทำให้กามอารมณ์นั้นดับไปได้ถ้าสามารถดับการอารมณ์ได้ทุกครั้งจนการอารมณ์ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ก็จะได้มรรคขั้นที่สามที่เรียกว่าอนนาคามีมรรคมรรคผลตอนอนนาคามีผลเกิดจากการเจริญอนาคามีมรรคก็คือการพิจารณาอสุภะอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง การมาลมนี้ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โดนอสุภะดับขึ้นดับไปทันทเนีเหมือนกับคนที่มีเครื่องดับเพลิงอยู่ที่บ้านพอไฟลุกปั๊บก็สามารถใช้เครื่องดับเพลิงดับได้ทันทีเลย <c oughs> ถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงอยู่ที่บ้านเวลาเกิดไฟลุกก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันลุกลามไปคนที่ไม่มีอสุภะ เวลาเกิดการมารลมขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เวลาเวลาเกิดการมารลมมันก็จะทำให้โกรธขิดนําคาญใจอยากจะให้ความหงุดหงิดลาคาญใจนั้นหายไปก็ต้องไปเสพกามต้องไปร่วมหลับนอนกับเขาพอร่วมหลับนอนแล้วความหงุดหงิดลาคาญใจก็หายไปเชื่อขา่าวแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดการมารลมขึ้นมาใหม่ ความหงุดหงิดรำคาญใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่อีกนะอันนี้ก็ต้องใช้เจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราพิจารณาอาสุภะนี้เรียกว่าเรากำลังเจริญสกิดาสกิดาคามีมรักษ์หรืออนาคามีมรักษนะ์แล้วถ้าเราทำให้การมาลมนี้ดับไปได้ครึ่งหนึ่งเราก็เรียกว่าเราได้อนาสกิดาคามีผล ถ้าเราทำให้การอารมณ์ดับไปได้อย่างถาวรหมดสิ้นไม่หลงเหลืออยู่ภายในใจก็เรียกว่าเราได้อานาคามีผลแล้วนี่คือผลที่เกิดจากการเจริญมรรคสามขั้นขั้นที่หนึ่งโสดามปฏิมรโสดาปฏิผลผลก็คือทำให้ดับความทุกข์ที่เกิดจากสังโยชน์สามข้อได้ แล้วก็ทำให้พบชาตินี้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดรอบก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ส่วนขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคารีก็จะทำให้พบชาติเหลือเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ต่อไปได้ส่วนพระอนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก แต่ยังไปไม่ถึงพระนิพานยังไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องมาละสังโยตอีกห้าข้อที่เรียกว่าสังโย์เบื้องบนสังโยชนี้แบ่งไว้เป็นสองส่วนสังโย์เบื้องล่างกับสังโย์เบื้องบนสังโยตเลือกเบื้องล่างนี้เป็นตัวผูกมัดให้จิตติดอยู่ในกามะพบหรือพบที่ยังมีการเสพกามอยู่ ผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่ําได้เบื้องล่างได้นี้จะไม่ติดอยู่ในกามาพบแต่ยังต้องไปเกิดในรูปภพอาลูภพก็คือที่อยู่ของพรหมสวรรค์ชั้นพรหมแล้วการที่จะออกจากการไปติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมได้ก็ต้องละสังโยชน์เบื้องบนหรือเบื้องสูงอยู่อีกห้าข้อด้ยวยกันคือรูปรูปราคาะคือความ ยินดีในรูปปัจจานหรือการติดอยู่ในรูปปัจจานอรู ป, ป ร, ราคะก็คือความยินดีในในอรูปปัจจานแล้วก็อ่มีอะไรอามานะคือความถือตัวถือว่าเรายังดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้เก่งกว่าคนนั้นคนนี้หรือเท่ากับคนนั้นเท่ากับคนนี้ หรือด้อยกับคนนั้นด้อยกับคนนี้คือยังมีตัวตนอยู่ถึงแม้ไม่มีร่างกายแล้วแต่มันยังมีตัวตนอยู่ในใจตัวตนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจถ้ามีร่างกายมันก็เอาอาตัวตนไปแปะไว้ที่ร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอไม่มีร่างกายมันก็เอาตัวตนไปแปะไว้ใน ใ, ใจพระนาคามีนี้ยังถือตัวอยู่เวลาใครมาดูถูกดุ มิ่นก็ยังโกรธอยู่เพราะยังมีตัวตนอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าการถือตัวนี้เป็นความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเพราะว่าตัวตนนี้ไม่มีมีแต่ตัวรู้ใจนี้เป็นตัวรู้ไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นผู้รู้แล้วก็พอพิจารณาบ้างๆเขาก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ อันนี้ก็ต้องรู้จักประมาณในการเจริญปัญญาแล้วก็สุดท้ายก็อวิชชาก็คือยังไม่เห็นอริยสัจสีที่ละเอียดที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายใน ใ, นใจอยู่ใจของพระอนาคามีนี้ยังมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากอยู่ยังมีความอยากในรูปฌปานในอรูปฌปานยังมีความอยากที่จะถือตัวว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ อันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นพอพอเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆในรูปประจานก็ดีในอรูปประจานก็ดีในการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ดีหรือความอยากบรรลุธรรมก็ดีเช่นพระพระอ น, น, นุนิบรรลุธรรมไม่ได้ก็เพราะว่ามีความอยากบรรลุธรรมมาขวางอยู่ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ก่อนจะจากไปว่าอนอนท์เธอจะต้องบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ภายในระยะเวลาสามเดือนพอคืนถึงวันสุดท้ายนี้อานท์นท์นนยังไม่บรรลุพยายามปฏิบัติจิตพยายามเจริญปัญญาพิจารณาะสังโยชน์ต่างๆทํำยังไงมันก็ไม่บรรลุเพราะใจยังไปมัวคิดอยู่กับความอยากจะบรรลุความอยากบรรลุนี้ก็เป็นอุปสรรค พอรู้ว่าพอใกล้จะสว่างก็เลยรู้ว่าคงจะไม่บรรลุแล้วก็เลยยอมแพ้ลดยอมไม่คิดยอมไม่อยากจะบรรลุพอไม่อยากบรรลุปั๊บจิตก็บรรลุเลยบรรลุตอนที่จะไปนอนอยู่นอนท่านั่งก็ท่านอนตอนนั้นกล้ว่าโป่งแล้วยอมรับ ว, ว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าคงปยากรผิดแล้วทุกครั้งนี้พระเจ้าพยากรนายนี้ถูกเสมอ พยายามว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้ถูกเสมอแต่สําหรับเรานี้คงจะผิดแน่ๆเพราะนี้ใกล้กลจะสว่างแล้วแต่เรายังไม่บรรลุสักทีพอคิดอย่างนั้นปั๊บก็เลยหยุดอยากพอยอมรับว่าคงจะไม่บรรลุแล้วพอหยุดความอยากจะบรรลุไอ้ตัวความอยากนี่มันก็หายไปไอ้ตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจก็หายไปใจก็สงบใจก็บรรลุทันทีะ อันนี้ก็เรื่องของการละสังโยชน์เบื้องบนละอวิชาอาวิชาก็คือความอยากให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อยากได้พระนิพพานนี่มันก็จะมาเป็นตัวอุปสรรคขวางให้ผู้ที่จะได้นิพพานนี้ไม่ได้นิพพานกันนี่คือเรื่องของอมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งพอละสังโยชน์ เบื้องบนห้าข้อได้และอวิชาได้ก็บรรลุได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้พระนิพพานต้องเป็นพระอาหารหันต์ถึงจะได้นิพพานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนี้ยังไม่ได้ถึงพระนิพพานต้องถึงขั้นที่สี่แล้วถึงจะถึงขั้นพระนิพพานนี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เราได้ยินได้ฟังกัน ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้ว่าเรามานั่งปฏิบัติกันเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราฟังแล้วเราก็จะได้รู้ผลพอเราลู้ผลว่ามันวิเศษอย่างไรเราก็จะเกิดศรัทธาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีกำลังใจทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีกาลังใจมีการทุ่มเทในการปฏิบัติ ผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับภาษาวกทั้งหลายในอดีตและในปัจจุบันแล้วผู้ที่มีศรัทธามีฉันทะวิรยิยะจิตตาวิมังสาจะเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่หยุดยัง้งและเมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็ได้ผลกันทั้งนั้นได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังธรรมพอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้รู้ว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วจะได้ผลอะไรแล้วพอนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ทุกประการเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตพระกัตาธรรมโ เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องทั้งเหตุและผลเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้แต่ละสังโยชน์สามข้อได้ก็จะได้ผลอย่างนี้ละสังะละสังโยชน์ห้าข้อได้ผลก็จะเป็นอย่างนี้ละสังโยชน์สิบข้อได้ผลก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นไปตามความจริงทุกประการขอให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติให้ถึงขั้นขั้นของธรรมเหล่านี้ให้ได้เถิด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 เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตางตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยทามนิจโตติหราโสยทาสัพพิตโยวิวะจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตรายุสุขีธีพายุโกภาะอภิวาทนสีฤทธานิจจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมวาานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามคำถามขอเชิญกรุณาถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเรลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็เชิญเข้ามามีไมโครโฟนถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรถามตอบถามปัญหาทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณกู๊ดเวลาเดินจงกรมควรบริกรรมพุทโธหรือว่ามีสติอยู่กับการก้าวเท้าคะได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่จะถนัดถ้าชอบบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปถ้าชอบดูการก้าวเท้าก็เฝ้าดูการก้าวเท้าไปเป้าหมายของการดูเท้าหรือว่าบริกรรมพุทโธก็เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เพราะว่าความคิดนี้จะทำให้ใจไม่สงบถ้าอยากจะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิต้องหยุดความคิดาการจะหยุดความคิดได้ก็ต้องให้ใจมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดไวเช่นใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกมัดใช้เท้าที่เราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือใช้พุทโธผูกมัดใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆ คำถามจากคุณหนามดอกไม้พอออกจากสมาธิจะตกใจง่ายค่ะควรแก้ไขอย่างไรดีคะเออต้องเจริญสติต่อเวลาออกมาแล้วอย่าทิ้งสติออกมาก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อถ้าทิ้งสติปั๊บนี่มันแคว่วาอะไรแล้วเกิดขึ้นมันก็จะตกใจได้ง่ายรวดเร็วเพราะใจไม่มีอะไรควบคุมไว้ถ้ามีสติแล้วมันจะเฉยเฉยจะวางเฉยคำถามจากคุณเขตนรง ก็แรกการสร้างปัญญาบารมีคือการหมั่นพิจารณาให้เห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นขั้นที่ปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยะปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตตามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ได้รับได้ยินได้ฟังได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เรียกว่า สุตามยปัญญาเมื่อเราได้รับคำสอนของครูบาอาจารย์สอนให้เราเหมือนพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ออกไปเจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นจินตามายปัญญาแล้วพอเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราสามารถเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราได้พิจารณามาใช้ดับความทุกข์ได้ อันนี้ก็จะเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาปัญญาต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามคือปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ถ้ารู้เฉยๆแต่พอถึงเวลาเกิดสูญเสียสิ่งที่รักไปคนที่รักไปแล้วก็ห้ามใจไม่ให้ร้องห่มร้องไห้ไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาเวลาใครตายไปรักกันขนาดไหนก็จะไม่รู้สึกอะไรถ้ามีปัญญาเพราะจะเห็นว่า การพัดภากจากกันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรื่องของอนัตตาคือความไม่ใช่เป็นของเราความทุกข์จะไม่มีถ้ามีปัญญาที่จะสอนใจให้หยุดความอยากไม่ให้เขาไปได้ที่ทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้เขาไปอยากให้เขาอยู่ พอมองไม่เห็นว่าเขาต้องไปเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาไม่เที่ยงถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเราถึงเวลาเขาจะต้องไปเป็นของคนอื่นก็ต้องยกให้เขาไปข้อสองการหมั่นฟังฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นมาฟังพระอาจารย์เทศนาทุกวันทิศนี้ถือเป็นการสร้างปัญญาบา ร, รมีได้ไหมครับก็เป็นขั้นที่หนึ่งไง อย่างที่เมื่อกี้แสดงไว้ถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราไม่รู้ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอะไรเราก็ต้องมาฟังพอฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่า อ, อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นอั น, นิจังคือไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปหวงไปห้ามไม่อยากให้เขาจากเราไปเวลาที่เขาต้องจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยให้เขาไป อันนี้ก็เรียกว่าสุตมยปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเอาไปคอยสอนใจเตือนใจเพราะถ้าฟังปั๊บแล้วออกไปไม่คิดถึงมันเดี๋ยวก็ลืมก็จะไปคิดว่าทุกอย่างเป็นของเราทุกอย่างเที่ยงพอเวลาเขาจากเราไปก็ร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเราคิดอยู่อยู่เรื่อยเตือนใจอยู่เรื่อยพอถึงเวลาเขาจากเราไปเราก็จะได้ใช้ ความรู้อันนี้มาหยุดความอยากไม่ให้เขาจากออกไปได้เพราะเราหยุดความอยากความทุกข์ใจก็ไม่มีความร้องห่มร้องไห้ความเสียใจก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีคำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกเมื่อลูกคนหนึ่งได้ให้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกเดือนแต่พ่อแม่เอาไปให้ลูกอีกคนที่เดือดร้อนใช้แล้วคนที่ให้เงินไม่พอใจเพราะต้องการให้พ่อแม่ได้ใช้สอยเองมากกว่า แล้วลูกคนที่ให้เงินพ่อแม่จะได้กุศลจากการดูแลพ่อแม่ไหมคะแล้วผู้ให้ควรจะวางใจอย่างไรดีคือการให้นี้เราพิจารณาก่อนว่าบุคคลที่เราจะให้นี้ควรจะให้หรือไม่ให้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าควรจะให้เขาเราก็ให้เขาไปแต่เราไม่มีข้อผูกมัดว่าเขาจะต้องเอาไปใช้อะไรเพราะว่าเป็นของของเขาแล้ว เวลาเราให้อะไรไปแล้วนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นของคนที่เขารับแล้วเป็นสิทธิ์ของคนที่รับว่าเขาจะเอาไปใช้อะไรต่อไปแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เอาไปใช้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการอย่าให้เขาใช้เข้าต่อไปแล้วก็อย่าไปให้เขาถ้าไม่ตรงตามจุดประสงค์ mm. เช่นเราให้ลูกเอาเงินไปซื้อหนังสือไปเรียนพิเศษลูกไปซื้อเกมเล่นอย่างี้เขาต่อไปมาขอเอาเงินไปเรียนพิเศษก็จะไม่ให้แนละ้ว เพราะว่าไม่ได้ใช้ตามจุดประสงค์ที่เขาบอกไว้ยันใดถ้าเราอยากจะให้เงินทองนี้เพื่อให้พ่อแม่ใช้เพื่อพ่อแม่จะได้อยู่สุขสบายแต่พ่อแม่เอาไปให้คนอื่นใช้เราก็มีสองทางเลือกคือให้ต่อไปเพราะคิดว่าพ่อแม่คงไม่เดือดร้อนมั้งเขายังมีเงินทองดูแลเขาอยู่แล้วเขายังรักยังห่วงลูกคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็เลยเอาเงินส่วนนี้ไปให้ก็ เ, เป็นเรื่องเป็นบุญของพ่อของแม่เขา พ่อทำบุญต่ออันนี้ก็เป็นก็เป็นประโยชน์เหมือนกันคือพอเราให้เงินทองพ่อแม่ไปเนี้ประโยชน์หลักอาจจะต้องการให้ประโยชน์ทางร่างกายคือให้พ่อแม่มีร่างกายอยู่อย่างปกติสุขแต่พ่อแม่ก็มีอยู่อย่างปกติสุขแล้วเระเห็นว่าเงินทองที่เขาได้มานี้เขาไม่จําเป็นจะต้องใช้เขาก็เอาไปทําบุญให้คนอื่นต่อไปพ่อก็จะได้บุญได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจ ยันเราก็พิจารณาดูว่าเรากรจะให้ต่อไปหรือไม่ถ้าคิดว่าถ้าถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้ใช้เงินตามจุดประสงค์ของเราพก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อพ่อเขาไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินทองสําหรับเลี้ยงดูตัวพ่อแม่แล้วแต่เขายังมีความอยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่ก็ให้เขาต่อไปเราให้เราก็จะได้บุญไม่ว่าจะ ให้ไปแล้วพ่อแม่จะเอาไปทำอะไรนี่เราได้บุญเพราะว่าเป็นการให้ของเราส่วนคนที่จะเอาไปใช้ต่อนี่อยู่ที่คนใช้ว่าจะไปใช้อย่างไรใช้ให้เกิดคุณกับตัวเองก็ได้เช่นเอาไปเลี้ยงดูร่างกายก็เกิดประโยชน์กับร่างกายเอาไปทำบุญก็ได้ประโยชน์กับใจแต่ถ้าเอาไปซื้อเหล้ากินไปเล่นการพ น, นันก็เกิดโทษกับใจ ถ้าเราเห็นว่าพ่อเอาเงินที่เราให้เขาไปกินเหล้าเมายาไปเรื่องการบันานแล้วก็อย่าให้ดีกว่าเก็บไว้พ่อให้แล้วมันเกิดโทษมากเกิดเกิดคุณประโยชน์ข้อ 2. พ่อแม่ถือว่าท่านอยู่สูงกว่าลูกมากถ้าท่านทําผิดกับลูกจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามท่านสามารถพูดคําว่าขอโทษกับลูกได้หรือไม่คะ เรื่องการขอโทษนี่พูดพูดก็ได้กับคนทุกคนนะสูงกว่าต่ำกว่าเท่าเรานี่พูดได้เสมอเพราะเป็นการรับรับความผิดชอบของการกระทำของตนแต่เป้าหมายของการขอโทษจริงๆก็เพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าอย่าไปทำอีกถ้าขอโทษแล้วยังทำซ้ำบ่อยๆก็ขอโทษไปเสียเวลาประ่าๆคำวาขอโทษนี่ก็แสดงว่าเรายอมรับว่าเราเผลอหรือเราทาผิดพลาดไป ถ้าเราจะพยายามไม่ทําอีกต่อไปแต่ถ้าเราขอโทษแบบไม่มีเจตนาที่จะไปเปลี่ยนแปลง ก, การกระทําของเราขอโทษไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเมื่อเช้ามีโยมฝากมาหนูมาถามว่าอย่างที่เมื่อวานมีคําถามว่าที่หยิบหนังสือบาลวันธรรมบิลีไปขายอะคะ่ะก็คือเขาตั้งใจมาเพื่อมาหยิบไปเยอะๆเพื่อเอาไปขายทั้งๆ ท, ท, ที่เราแจกเป็นธรรมทานเงี้ยคะ่ะเขาจะบาปไหมคะ คือถ้าเป็นของแจกนี่มันทีก็ต้องอยู่ที่กฎกติกาของการแจกว่าแจกแบบไหนโดยปกติการแจกนี่ก็แจกให้คนที่มาเท่านั้นเหมือนเราไปงานเลี้ยงกินอาหารเขาก็เลี้ยงคนที่มาเท่านั้นไม่ใช่ให้คนที่มางานเอาปินโตเอาถุงอะไรมาขนกลับไปให้คนที่บ้านกินอันนี้มันก็ถือว่ามันผิดกติกาของการรับของ จะเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเป็นความโลภเป็นกิเลสแล้วส่วนว่าจะเป็นการขโมยหรือไม่นี่อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ที่ว่าถ้าเขากําหนดว่าให้ให้เฉพาะคนที่มากินเท่านั้นไม่ให้เอากลับไปบ้านถ้าถ้าเขาเอากลับไปบ้านเอาไปฝากคนนั้นคนนี้ก็ถือว่าเป็นการขโมย นอกจากว่าเขาบอกว่าอาหารที่เหลือนี้ใครอยากจะเอาไปก็เอาไปนะอันนี้ก็เอาไปได้แต่ถ้าเขาไม่บอกนี่เราไม่ควรที่จะเอาไปเพราะโดยธรรมเนียมเขามีอาหารไว้ก็เพื่อเลี้ยงคนที่มางานเขาไม่ได้ให้เอาไปเลี้ยงคนที่บ้านไม่ให้ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านแต่ถ้าเขาเขียนป้ายบอกว่าอาหารที่เหลือนี่ถ้าใครต้องการจะเอาไปบ้านไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงคนที่บ้านก็เอาไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดกติกา ตามความเข้าใจของเรานะเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเวลาเราไปที่ไหนเขามีของแจกนี่เขาแจกคนที่ไปงานเขาไม่ได้ให้คนที่ไปงานไปขนเอาไปแจกต่ออีกทีหนึง่งถ้าอยากจะขอจะยาเอาไปแจกต้องพูดกับเจ้าของเจ้าภาพก่อนว่าขอเอาของพวกนี้ไปแจกคนอื่นต่อได้ไหมขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนจะปลอดภัยกว่าถ้าเขาบอกเออเอาไปได้อยากจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถึง แ, แม้จะเอาไปขายก็ไม่เป็นไรบางทีเจ้าภาพก็สงสารเนาะอยากไม่มีเงินอยากจะอ่านหนังสือนี่ไปขายก็ก็เอาไปก็เอาไปได้แต่ตามปกติแล้วหนังสือธรรมะนี่ทําไว้เพื่อแจกไม่ให้ทําเพื่อขายทําเพื่อประโยชน์ของผู้รับแล้วก็ต้องเอาไปอ่านจริงๆถ้าเอาไปแล้วไม่อ่านก็ข อ, อยาวไปดีกว่าเก็บไว้ให้คนอื่นที่เขาต้องการจะอ่านแล้วเขาจะได้อ่าน เพราะว่าถ้าเราเออกไปแล้วบางทีขอเข้ามาเขากหนังสือก็หมดไปก่อนอย่างนี้งั้นการรับหนังสือธรรมะนี่ควรจะรับเฉพาะตัวเราจะดีกว่านอกจากว่าถ้ามีคนทางบ้านฝากมาข อ, อก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าภาพก่อนว่าขอหนังสือนี้ไปฝากคนที่บ้านได้หรือไม่ถ้าท่านอนุญาตก็เอาไปได้ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไม่ควรที่จะเอาไป ก็เราก็เอาของที่เราเป็นของเรานี้ไปให้เขาสิเราก็จะได้บุญอีกต่อนึ่งเราอา่านเสร็จแล้วเราก็ยกให้คนอื่นไปทำไมเราต้องเก็บไปด้วยใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้คนอื่นได้อ่านเราเห็นว่าเป็นหนังสือดีหรือถ้ายิ่งดีเอาไปพิมพ์แจกต่อเลยก็ได้นี่อ น, นี้ก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นกิเลสหนังสือธรรมะนี่มีไว้เพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่มีไว้เพื่อสร้างกิเลส ถ้ามาด้วยกิเลสความโลภอยากจะเอาหนังสือนี่ไปขายหรือว่าไปแจกคน น, คนนั่นคนนี้อันนี้ก็เป็นความโลภแล้วแทนที่จะมาเพื่อตัดกิเลสกลับมาสร้างกิเลสกันอันนี้ก็ขาดทุนนี่ใครอยากจะถามอีกไหมข้างหลังไม่ ต่อจากคำถามข้อมเมื่อกี้ครับอาจารย์แล้วอย่างถ้าเกิดเราเอาหนังสือเนี่ยไปฝากให้กับคนที่อาฝากทองมาทําบุญกับเราอ่ะครับตรงเนี้ยถือว่าเขาพาด้วยครับก็อบอกบอกเจ้าภาพก่อนก็ดีเราจะได้รู้ว่าเอาไปเพื่ออะไรเพราะคนที่เอาไปแต่ละคนนี้อาจจะมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันถ้าบอกแล้วท่านทราบท่านก็อ น, นุโมทนาแล้วก็เอาไป ถ้าท่านเห็นว่าไม่ควรเอาไปเราก็ไม่ควรเอาไปนะครับในส่วนของสมถภ า, าวนากับวิปัสสนาครับตัวสมถภ า, าวนาเนี่ยตามความเข้าใจของผมก็คือการทำสมาธิให้นิ่งจริงๆแต่วิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่การทำสมาธิแต่ว่า วิปัสนาเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ขณะที่เรายังทำงานอยู่หรือว่าฟังเทศฟังธรรมอะไรพวกนี้อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับมันก็ปัญญาก็เกิดได้เสมอเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดบางทีเห็นใบไม้ร่วงก็ระกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นตายรักปัญญานิจังแต่มันจะเป็นปัญญาขั้นที่ดับความทุกข์ได้หรือไม่นั้นก็อีกอีกเรื่องหนึง่ง มันปัญญามันมีสามขั้นขั้นที่จะดับความทุกข์ได้นี่ต้องเป็นขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่มีกำลังที่จะดับความทุกข์ได้เช่นเราเสียคู่รักไปเราเราไม่สบายใจสิกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเราเห็นใบไม้ร่วงแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าภรรยาเราเป็นเหมือนใบไม้ร่วงถึงเวลาเขาก็ต้องร่วงไปเราไปห้ามอะไรเขาไม่ได้ เรายอมรับความจริงได้เราก็หายจากความเศร้าโศกเสียใจก็เรียกว่าเป็นปัญญาได้แต่ถ้ายัางยังระ ง, งับความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเขาไม่เที่ยงเขาจากเอาไปแล้วอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญญาปัญญาที่แท้จริงต้องดับความทุกข์ใจได้เวลาเราไม่สบายใจแล้วเราใช้ปัญญาพิ จ, จารณาทาให้ใจเราหายทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญา ซึ่งปัญญาระดับนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาวนามย์ปัญญาก็คือเกิดจากการพิจารณาอยู่บ่อยๆจนใจเป็นสมาธิมีจะมีความหนักแน่นมีความสงบพอที่จะรับกับเหตุการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นได้ถ้ายัางรับกับเหตุการณ์ความจริงไม่ได้อย่างพวกเราตอนนี้เราก็รู้ว่าพวกเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่พอเจอหนังเหี่ยวหน่อยย่นหน่อยเนยใจตกลงไปที่เท้าแล้ว เพราะนี้ยังแสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาว่าก็เฉยมันเป็นอย่างนี้จะทํายังไงห้ามมันไม่ได้มันก็เฉยมันไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเป็นปัญญามีใครอยากจะถามอีกไหมเมตัณฑ์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับคือผมเคยได้ยินมาว่าหลักธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยคือ หลักอานาปนาสติผมเลยอยากสอบถามว่าหลักอนาปนาสติที่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยะทั้งหลายท่านใช้ท่านใช้ในากการนักสมาธิอย่างเดียวหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันในแต่ละอริยบทด้วยครับพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์นี่ท่านไม่ต้องใช้อะไรแล้วจิตของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวืงแล้วถ้าท่านใช้ก็เป็นเป็นการใช้แบบเป็นเหมือนกับของเล่นเท่านั้นเองไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์อะไร นอกจากการใช้ให้มันอยู่เพื่อความสบายของของธาตุขันของร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจของท่านนี้ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ท่านจะใช้ทำอันไหนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วถ้าอย่างเป็นปุรุชนธรรมดาสามารถใช้หลักอนาปนาสติยังไงบ้างครับาจย อ น, นาปานสติก็มีไว้เพื่อให้มีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิจะใช้ได้ก็ตอนเวลาที่นั่งเท่านั้นเพราะว่าเวลาเดินหรือเวลาทำอะไรอย่างอื่นนี้ดูลมยากเพราะลมมันเป็นของละเอียดเวลาที่ไม่ได้นั่งก็ใช้ดูร่างกายแทนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูการกระทาของร่างกายแทน แต่พอเวลานั่งเฉยๆร่างกายไม่ได้ทำอะไรก็ดูลมหายใจแทนครับหลักอนาปน า, นาปนาสตินี้คือเป็นการดูแค่ลมหายใจไม่ได้พิจารณาพอาให้รู้เฉยๆว่าลมหายใจตอนนี้เข้าหรือออกหยาบหรือละเอียดสั้นหรือยาวเท่านั้นเองให้รู้เพื่อที่จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆครับหมดแล้วนะ